ที่ไม่มีก็มีขึ้นดุจภาชนะดินอันมีขึ้นด้วยช่างหม้อเขาปั้นไว้ฉะ น, นั้นสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสให้พระนาคเกษกระทาอุปมาอุปไมให้ยิ่งขึ้นไปพระนาคเกษจึงกระทาอุปมาอุปไมว่ามหาราชะขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภารเปรียบปานดุจหนึ่งใบพินมิได้มี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 พระนาคเกษเจึงถวายพระพรต่อไปว่ามหาราชาดูราณะบพิษพระราชสมภารประการหนึ่งเล่าวีนายาปตตังสียาใบแห่งพินนั้นมีจำมังสียาหนังหุ้มขึ้นพินนั้นมีโทนิสียารางพินนั้นมีทันโดสียาคันพินนั้นมีอุปทานโนสียา